ทีนี้พูดถึงในสัพปัญญาวักที่หกในสังยุตตินิยมหาวราวักนะโสตาปฏิสังยุตพูดถึงคุณธรรมของเป็นพระโสดาบันทั้งสังยุตเลยเนี่ยนะมีจะเป็นร้อยสูตรแหละพูดถึงคุณของพระโสดาบันอย่างเดียวว่าเป็นพระโสดาบันแล้วมีคุณธรรมอย่างไรบ้างเนี่ยนะดียังไงอะไรยังไงเนี่ยนะพูดเป็นเป็นเกือบร้อยสูตรเลยอะ เล่มที่สามสิบเอ็ดนี่ยนะพูดเกือบร้อยสูตรก็คือพูดเจ็ดสิบกว่าสูตรเนี่ยนะเจดสิบกว่าสูตรพูดถึงผู้ที่มีคุณธรรมเป็นเป็นพระโสดาบันละเนี่ยนะเล่มสามสิบเอ็ดนะอย่างในสคากะสูตรสังยุตติกายมหาวรารวัคข้อหนึ่งพันหกร้อยี่สิบเอ็ดและก็ยี่สิบสองเนี่ยกล่าวว่า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 มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงคือเห็นอริยสัจเนี่ยนะบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงตามประกอบซึ่งศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมเนี่ยนะก็ <c oughs> <c oughs> โซตาปฏิยังฆ่าธรรมสประการเนี่ยนะถือว่าเป็นคุณธรรมที่ทําให้ปิดอบายจาง่ายๆก็คือศรัทธาศีลการเห็นธรรมแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาหมายถึงตถาคตโพธิศรัทธทาศีลก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเลื่อมใสก็คือเลื่อมใสในพระสงค์เห็นก็คือเห็นอริยสัจเนี่ยนะ ทีนี้พูดถึงผู้ที่มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะตอนที่ใกล้จะตายนี่ก็นับว่าสำคัญมากหรือตอนป่วยตอนไข้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเวลาที่ใกล้จะจุติก็สบายละอย่งนั้นเถอะเข้าในขีลานสูตรเนี่ยนะขิลายนสูตร ข้อที่1627เป็นต้นไปเนี่ยกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามกรุงกบีลพัทแควนสักกะก็สมัยนั้นภิกษุมากรูปกระทําจีวรนกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทําจีวรเสร็จแล้วจักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือน คือหมายถึงว่าออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าจะจาฤอันนี้เป็นพุทธประเพณีะนะบางทีออกพรรษาปั๊บจาริกเลยก็มีในอย่างหนึ่งเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งนี่ล่วงไปหนึ่งเดือนแล้วจาริกก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือล่วงไปสองเดือนแล้วจาริกก็มีเดี๋ยนะสรุปก็วันที่เรียกว่าแรมหนึ่งค่ำนะวันแรมหนึ่งค่ำหลังปวารณานะจาริกก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เลยไปอีกเดือนหนึ่งก็จาริกก็มี อีกบางทีก็เลยไปนู่นแหละเลยวันเพนเดือนสิไปแล้วจึงจาริกก็มีเนี่ยนะก็มีอยูหย่หลายระยะด้วยกันแต่ว่าสรุปว่าต้องจาริกอันนี้แน่นอนเนี่ยนะถือถือเป็นเป็นกิจเนี่ยนะในการส่งเคราะห์เวนนยสัตว์พระพุทธเจ้านั้นการที่พระองค์ประทับอยู่ณที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่ประสงค์ปัจจสี่อย่างเดียวเนี่ยนะถ้าอยู่ที่นั่นจะมีคนที่ให้ทานเนี่ยนะอันนี้ยังถือว่าต่าเกรดต่าที่สุดลว สูงขึ้นมาหน่อยก็เขาจะได้ถึงไตรสารนคมมากกว่านั้นเขาจะได้มีศีลเขาจะได้ปฏิบัติในสมถาวิปัสนาได้ฌานได้อภินยาได้มักได้ผลโสดาปฏิผลเป็นต้นเหตุผลเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคจาริกไปเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าหากว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเช่นไม่มีใครถึงไตรสารนคมเพิ่มหรือว่า การปฏิบัติสมถะวิปัสนาการบรรลุมรรคผลไม่มีเพิ่มพระองค์จะไปทันทีเนี่ยนะจะจะไม่อยู่แล้วจะไปทันทีเลยนะนัน่นนี้ล่วงสามเดือนพระผู้มีพระภาคก็จะเสด็จจาริกและพระเจ้ามหานามสกยราชก็ได้สดับข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะจาริกเนี่ยนะคือพระผู้มีพระภาคเขาก็เป็นญาติกับพระเจ้ามหานามนะพระเจ้ามหานามานี้เป็น ที่ของพระอนุรุทธะนะแต่น้องชายเ้าบวชเขาก็เลยเป็นพระราชาครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสักยาราชก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งขันแล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มอมฉันได้ยินมาว่าภิกษุมากรูปกรธรรมจีวรกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคําจีวรเสร็จแล้วจักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกโดยล่วงสามเดือนข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเรื่องนี้มอมฉันยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนัก คือยังไม่ได้รับคํารับว่าพ่ะองศ์สอนว่าเออโยมไปสอนโยมเหมือนกันเถอะโยมไปสอนโยมนะคือหมายถึงว่าโยมที่เป็นพระโสดาบันไปบอกคนที่เป็นพระโสดาบันเวลาป่วยเหมือนันเถอะยังไม่ได้ยินเฉพาะหูเหมือนกันเถอเพะพ่อองศ์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษอุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสีประการ เนี่ยนะไปไปพูดถึงนะไปแนะนําเขานะคือไปไปปลอบเขาอย่าอย่ไปบอกว่าไปเทศนะคือไปบอกว่าไปปลอบใจกันอย่างนั้นเถอะคือไปปลอบให้เขาเบาใจในธรรมะสี่ประการว่าท่านจงเบาใจเถิดท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาไปถึงก็ไปบอกเลยอาจารย์วินิตเบาใจได้เพราะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คล้ายไปบอกกันแบบนี้แหละนะ บอกว่าท่านจงเบาใจเถิดท่านนี้มีความเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระธรรมนะท่านจงเบาใจเถิดเพราะท่านมีความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระพระสงฆ์ท่านจงเบาใจเถิดเพราะว่าท่านมีศีลที่พระอริยเจ้าไข้แล้วไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นไทยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยนะก็ไปปลอบใจกันให้เบาใจ เราก็ไปปลอบใจกันได้นะเบาใจได้และคุณก็ให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนาแล้วอย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเขาก็สวดมนต์ไหว้พระระลึกถึงคุณพระองค์ว่าเป็นพาาราอรันก็ไปพูดอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าคนนั้นนะเป็นไข้หนักหนักมากเพรางั้นเลยอาการตางตายหรือจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนมหาปาิฏอุบาศกผู้มีปัญญาครั้นปลอบอุบาศกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์ เป็นไข้หนักด้วยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจสี่ประการนี้แลว้วพึงถามอย่างนี้ว่าท่านมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่หรืออ่นนะยังห่วงพ่อห่วงแม่อยู่หรือเปล่าว่างั้นอ่นะอันนี้สําหรับผู้ที่ยังมีพ่อแม่ให้ห่วงกันนะถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในมารดาและบิดาอยู่เขาคนไข้ก็บอกกันนะห่วงอ่า น, นะนึกห่วงพ่อห่วงแม่อยู่เหมือนกัน อุบาสกนั้นก็พึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นเช่นเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาอ่ะ น, นะพูดกับเขาเนี่ยพูดความจริงอ่ะนะท่านกับเรานี่เป็นเหมือนกันว่างั้นคือตายเหมือนกันคือคนไปเยี่ยมไข่ก่อจะตายคนไข้ก่อจะตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นเหมือนเราเราก็เป็นเหมือนท่านอ่ะนะเพียงแต่ว่าตายก่อนตายหลังแค่นั้นแหละแต่ว่าตายเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็เลยบอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดา ถ้าแม้ว่าท่านจะกระทำความ ห, ห่วงใยในมารดาบิดาก็จะตายถ้าแม้ท่านไม่ถ้าแม้ท่านจะไม่กระทำความห่วงใยในมารดาและบิดาก็จะตายเหมือนกันสรุปว่าถ้าท่านห่วงท่านก็ตายถ้าท่านไม่ห่วงท่านก็ตายขอท่านจงละความห่วงใยในมารดาบิดาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเราละความห่วงใยในมารดาและบิดาแล้ว คือไม่ห่วงพ่อห่วงแม่แล้วแนะนําเขาต่อไปอีกก็ถามเขาไปว่าก็ท่านยังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่หรือหนไห่วงลูกห่วงเมียอยู่หรือเปล่าว่างั้นถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในบุตรและภริยาอยู่อุบาสกนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นเช่นกับเราซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาถ้าแม้ท่านจะกระทําความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จะตาย ไ, ไป ถ้าท่านจักไม่กระทําความห่วงใยในบุตรและภริยาก็จักตายไปเหมือนกันสรุปว่าห่วงลูกห่วงเมียก็ตายไม่ห่วงก็ตายควรจะห่วงหรือไม่ห่วงคุณจะอุ่มควรจะห่วงหรือไม่ห่วงนะก็หมายว่าห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายควรห่วงหรือไม่ควรห่วงมันอย่าไปห่วงเลยแบบนั้นเถอะเพราะอะไรบอกว่าคนที่ห่วงแล้วตายแล้วมันเป็นทุกข์กันนะ เกิดถ้าห่วงแล้วไปเกิดเป็นผีเฝ้าเรือนเอาไหม <c oughs> น, น, นะคือเป็นเทวะสมมุตินะกุศลจิตน้าเกิดละสมมติเป็นพระโสราบันนะแต่ว่าก็ยังผูกพันห่วงอยู่บ้างอ่ะนะเกิดแล้วเป็นผีเรือนอยู่นั่นแหละนะโอโ้โหมันทุกอยู่เหมือนกันนะแทนที่จะไปอยู่วิมานสูงหน่อยไปฟังเทศฟังธรรมกับพระอริยะนะแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านอยู่นั่นแหละก็ไม่ค่อยไว้เงเงินก็คอยแต่ห่วงก็นะเขาทําอะไรเห็นหมดเลยเนี่ยนะ เนี้ถ้ า, าด่าเรามั่งแล้วก็เห็นอีกไงโทรสา์หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงไปกังวลมากนักกว่างั้นเถอะคือสรุปว่าห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายเพราะฉะนั้นขอท่านจงละความห่วงใยในบุตรภรยาของท่านเสียเถิดถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าเรานี่ละความห่วงใยในบุตรภรยาของเราแล้วก็กล่าวว่าอุบาสกก็ถามต่อไปว่าท่านยังมีความห่วงใยในการมคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่หรือนะ ยังห่วงบ้านหรือเปล่ายังห่วงรถหรือเปล่ายังห่วงงานหรือเปล่ายัางห่วงเลือกสวนไร่นาอยู่หรนะือเปล่านะก็ถามว่าห่วงกรรมคุณที่เป็นของมนุษย์อยู่หรือเปล่านี่นะแต่เขากล่าวอย่างนี้ว่าเรายังมีความห่วงใยในการมาคุณห้าอันเป็นของมนุษย์อยู่บาศกก็กล่าวอย่างนี้กับเขาว่ากรรมอันเป็นของทิพยประณี๊กว่าอันเป็นของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอท่านจงพรากจิตออกจากกรรมอันเป็นของมนุษย์แล้วน้อมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมมหาราชเถอ มันไม่ดีจริงหรอกกว่านั้นของมนุษย์อต่นะจาตุ้มดีกว่านี้เยอะนะก็พูดบอกเขาอย่างนี้ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราออกแล้วจากการมมันเป็นของมนุษย์จิตของเราน้อมไปในพวกจาตุ้มมหาราชแล้วก็แนะนําไปอีกบอกของดาวดึงน่ะดีกว่าดีกว่าจาตุ้มอีกแนะนําเงิื่อนอะไรสูงดีกว่าก็บอกเออข้าพเจ้านี่ไม่ได้ยึดจาตุ้มแล้วแต่นะเห็นฟังว่าดาวปดึงดีก็เอาจะเอาดาวดึงอย่างนกันยามาดีกว่านี้อีกเลย นะนะยามาดีกว่าอีกเขาอกวโอ้ละดาวไปดึงละดูสิทธ์ดีกว่ายามาเยอะนะก็ดึงไปโอ้โละยามาแล้วต้องการดูสิทธ์และนิมมานารดีนดีกว่าดูสิทธ์เพราะอยากได้อะไรคิดเอาเลยเ็าบอกเออละดูสิทธ์จะเอานิมมานารดีอีกก็บอกว่าแต่นิมมานารดีนี่นะมันก็อยากได้อะไรมันก็ต้องคิดเอาเองเนรมิตเอาเองปรนิมดีกว่า เพราะว่าอยากได้อะไรนะแค่เขาคิดคนอื่นเสกให้หมดเลยโอ้ดีกว่าเยอะเนี่ยนะเพราะนินป a r a n ดีกว่าก็บอกก็เลยพลากจากนิมมรารดีคิดถึงป a r ิมเสร็จแล้วก็บอกว่าพรหมโลกดีกว่าป a r a n มิตร ว, วัสวดีเพราะฉะนั้นขอท่านจงพลาดจิตออกจากเทพชั้นป a r a n มิสวัตดีแล้วน้อมจิตไปในพรหมโลกเถอะอันนะัให้น้อมให้เจริญพรห ม, มิหารน้อมจิตไปในพรหมโลกบอกว่าตอนนี้น้อมจิตไปในพรหมแล้ว ก็บอกอุบาสกก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยงเงี้ยนะไม่ยั่งยืนนับเนื่องในสกายะที่จริงแล้วนะพรหมโลกมันก็คืออุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นขอให้คุณพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้วน้อมจิตไปในการดับสกายะคือพระนิพพานเธอเนี่ยนะให้น้อมจิตไปเพื่อไม่ต้องการให้มีขันใดขันหนึ่งแล้วว่างนั้นเถอะเพราะมันนับเนื่องในขันห้ามันจะพุ่ไหนภูมิไหนมันก็คือขันห้าทั้งนั้นแหละ ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่าจิตของเราพลากจากพรหมโลกแล้วน้อมจิตเข้าไปในความดับส ก, กายะแล้วอันนัก็เลยปฏิบัติได้ตามที่บอกกันนะอันนี้อุบาสกแนะนําอุบาสกนะบาสกผู้มีปัญญาแนะนําอุบาสกผู้มีปัญญาเหมือนกันดูก่อนมหาบพิษอาตมาภาพไม่กล่าวถึงความต่างอะไรกันของอุบาสกผู้มีจิตพ้นแล้วอย่างนี้กับที่สุผู้พ้นแล้วตั้งร้อยปีคือพ้นด้วยวิมุติเหมือนกันเอาว่า ผ้าหันที่บรรลุมาร้อยปีกับอุบาสกผู้เพิ่งบรรลุเป็นะ้าหันในขณะนั้นนะการหลุดพ้นไม่มีความแตกต่างกันเลยเนี่ยนะไม่ไม่แตกต่างกันอย่างเช่นพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยนะบรรลุก่อนที่พอบรรลุเสร็จบรรลุเป็นผ้าหันไม่นานท่านก็ดับขันปรินิพานเนี่ยนะกับภาษาริบุตรที่บรรลุมานานและไม่มีความต่างกันเนี่ยนะโดยโดยอรหัตผลไม่ได้มีความต่างกันเลยวีมุตกับวีมุตนะ ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี่ก็แหมมีเรื่องที่ให้ปลอบอกปลอบใจนี่สบายมากนะคิดถึงพระพุทธเจ้านี่ก็ก็ยิ้มมีความสุขแล้วละอ่างนั้นอีกสูตรหนึ่งนะที่พระท่านไปเยี่ยมอนาถาบินธิกาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่ป่วยบ่อยมากเนี่ยนะก็พบในนี่เนี่ยนะป่วยสามครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้ายพระสารีบุตรกับพระนนทประเยี่ยมแล้วก็ไปแสดงในอนาถาบินที่โกวาทสูตรหลังจากแสดงทำจบพระท่านกลับอนาถบินทิ่กะเศรษฐีก็ตายเนี่ยนะตายแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นพระสูตรที่แสดงก่อนที่อนาถาบินทะกะจะตายแต่สูตรนี้ในปฐมทุศีระยะสูตรเนี่ยนะในข้อหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดกล่าวว่า สาวถีนิฐานสมัยนั้นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะเครืหาบดีก็เลยเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่าท่านบุรุษผู้เจริญท่านจงไปเถิดจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นแล้วจงไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระสารีบุตรด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถบินธิกะครือหาบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบเท้าทั้งสองของท่านภาษาริบุตรด้วยเสียงกล้าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญได้โปรดเถิดขอท่านภาษาริบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถบินทิกาครือหาบดีเถิดเนี่ยนะก็ใช้ให้ให้ลูกน้องอะนะไปไ ป, ไปนิมนต์พระให้ทีหนึ่ง ทีนี้ลูกน้องก็ไปภาษารียบด์ก็รับโดยดุษนียภาพครั้งนั้นเวลาเช้าท่านภาษารียบด์นุ่งแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระนนทเป็นปัจฉาสมณะคือเรียกว่าพระติดตามเนี่ยนะพระนนทติดตามไปเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาถาบินทิกะเครืหาบดีแล้วก็นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครั้นแล้วก็ถามท่านอนาถบินทิกะเครืหาบดีว่าดูก่อนเครหาบดีท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลง ไม่กำเริบแลขึ้นหรื อ, อย่อมทุเราความทุเราย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏลหรือท่านอนาาธบินที่กระเครือข บ, บดีก็ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกับผมนี่อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของกระผมนี่กำเริบหนักไม่ทุเราลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเราไม่ปรากฏแบบนั้นเถอะโอ้ทาไมใขรมันขึ้นหนักขึ้นหนักก็ไม่รู้แ่า ง, งั้นเถอะ เป็นเอามากขึ้นวันนี้มากกว่าเมื่อวานอะไรงี้นะก็ว่าไปภาษาอริยบทก็แนะนำว่าดูก่อนขึ้นหาบดีผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับนพะูดถึงคนทั่วๆไปนะที่ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปก็ย่อมเข้าถึงอ บ, อบายทุคติวินิบาตนรกนนะนะคือผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า น, ะนั่นแหละเป็นเหตุแห่งการไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรก ความไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้นย่อมไม่มีกับท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเป็นผ้าหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำนแนกแจกแจงพระธรรมก็ท่านเห็นความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระ ง, งับโดยพลันเนี่ยนะคือปุถุชนทั่วๆไปใช่ไหม ท, ที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็คติไม่ได้แน่นอนอะไรนั่นแหละเป็นเหตุทางอบายทุกติวิ บ, บัตินรกท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะถ้าไอศรัทธาเนี่ยทำให้ท่านหายปวดได้หายทุกข์ได้ ก็โดยทั่วๆไปใช่ไหมทุกขากายญวิญญาณนี่มันเกิดจากมโนสิการใช่ไหมถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าตอนนั้นทุกไหมไม่ทุกตอนที่คิดถึงทุกก็ไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมควรคิดถึงอะไรดีคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นกุศลคิดถึงทุกเป็นอกุศลเนี่ยนะเพราะผู้ที่คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็เป็นเหตุให้สงบระงับทุกข์ได้เนี่ยนะก็ไม่ให้ปวดมากนะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนเนี่ยนะ ก็บอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกคือไม่เลื่อมใสว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ดีแล้วเนี่ยนะไม่เลื่อมใสว่า อ, อรยิยมรรคนี่นําออกจากทุกจริงๆเนี่ยนะก็ขาดความเลื่อมใสเป็นต้นก็ไม่ได้พ้นอบายทุกติวินิบาดนรกความไม่เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่าน ส่วนท่านมีความเลื่อมสายอันไม่วันไวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะสวาขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยน ะ, ะสามที่ที่โกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่งเห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการโอปนันญิโกเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาหาตัวหมายถึงมรรคผลเนี่ยควรน้อมให้เกิดในใจ ส่วนนิพพานนี่ควรน้อมใจเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะเอหิปัสสิโกว่ากั้นเรียกให้คนอื่นเขาดูได้ว่าเพราะเป็นของดีของประเสริฐจริงๆอ่า น, นะแล้วก็ปัจจตังเวทิตัาโพวินโยอุคติตันยูบุคคลก็รู้ได้เฉพาะตนเนี่ยนะวิปัญจิตันยูก็รู้ได้เฉพาะตนนัยยะบุคคลก็สา ม, มารถที่จะรู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้น เมื่อท่านเห็นความเลื่อมสายอันไม่หวนไไวในพระธรรมนั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบระงับโดยพลันเนี่ยนะก็ไปแนะนําให้ให้เจริญธรรมมานุสตินั่นแหละ น, นะว่าเออเราก็มีศรัทธาในพระธรรมหมดเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นนะต่อไปบอกว่าดูก่อนเครือขาบดี ป, ปูุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความไม่เลื่อมสายในพระสงฆ์เห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์เห็นตานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วนะไม่ว่าทางกายท่านก็ปฏิบัติดีทางวาจาท่านก็ปฏิบัติดีทางใจท่านก็ปฏิบัติดีอันนี้เรียกว่าสุปฏิปันโนนะไม่ปฏิบัติชั่วทางกายวาจาใจเลยสุปฏิปันกูโชฏิปันโนก็ปฏิบัติตรงว่างั้นเถอะตรงในที่นี้ตรงต่ออะไร ตรงต่อพระธรรมคําสอนตรงต่อมรรคผลนิพพานยายาปฏิปันโนปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากวัฏทุกข์สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติธรรมคู่ควรแก่การกราบการไหว้คู่ควรแก่การเคารพสักการะเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นนี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสองสาวกของพระพุทธเจ้าอันนะนี้ทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน หมายความว่าทําบุญแล้วอุทิศให้เปรตแล้วเปรตเขาอนุโมทนาได้ฟังกันเถอะเขาเปรตไม่เสียใจยว่าโอ้ไปหาพระที่ไหนมาทําบุญให้อย่างนี้นะเขาเขาเข า, เขาไม่เขาอนุโมทนาลงว่างั้นแล้วก็นี่แหละเป็นผู้ที่ควรแก่ของฝากว่างั้นเถอะถ้าของทั้งหลายที่คู่ควรแก่การฝากอริยะสาวกเนี่ยคู่ควรที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าฝากท่านแล้วนะเพราะเป็นเหตุให้ผลที่มหาศารผลที่ไพ่บูนเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ คิดเอาของไปฝากหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรแก่การจัดของต้อนรับที่สุดเนี่ยนะถ้าพูดถึงแขกที่ที่ควรต้อนรับนะท่านเหล่านั้นเป็นแขกชั้นดีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเนี่ยนะเป็นสุดยอดนาบุญแล้วว่างั้นเป็นผู้ที่บําเพ็ญบุญในะท่านเหล่านั้นก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันท่านนี้เป็นเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสองค์อยู่ในตนเพราะฉะนั้น เวทนาก็จะพึงสงบโดยพลัน น, นะนะก็จะเจริญสังขานุสติอย่างเงี้เนี่ยนะข้อที่ต่อไปบอกว่าดูก่อนคริษฐาบดีปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยความเป็นผู้ทูตศีลเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกความเป็นผู้ทูตศีลเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่าน น, นะนะคือคนไม่มีศีลเนี่ยคติไม่ดีใช่ไหมแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านนี้เป็นผู้ที่ มีศีลที่พระริยเจ้าไข้แล้วไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยอันตัญหาและทิฏฐิไม่จับต้องเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านเห็นศีลที่พระริยเจ้าไข้แล้วอยู่ในตนเวทนาพึงสงบโดยพึงสงบประงับโดยพลันเนี่ยนะก็ร ะ, ะลึกถึงศีลก็หายป่วยได้นะสรุปว่าศีร ะ, ะลึกสี่ประการนะร ะ, ะลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็ศีลเนี่ยนะฝันท่า ม, มั่นคงในส่วนนี้ก็ บอกได้เลยว่าเป็นพระอริยะวังนั่นเถอะมันมันคงดีมากทีนี้พูดถึงมักบ้างว่าดูก่อนขึ้นหาบดีปูดุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาทิฐิเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉาทิฐิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาทิฐิก็เมื่อท่านเห็นสัมมาทิฐินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลันอนนะ ก็คติสองของมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมคือนรกกับเดรชานทีนี้พระอนาคามท่านเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฐิมีห้านะหนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฐิสองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิสามฌานสัมมาทิฐิสี่มรรสสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฐิอีกในหนึ่งก็บอกว่าปัจเจเวขณายานเนี่ยนะปัจเจกวขณะสัมมาทิฏฐิท่านนี้เป็นผู้ที่หนึ่งนะ กรมสกตาสัมมาทิฏฐิท่านก็ดีวิปัสสนาสัมมาทิฐิท่านก็มีแล้วก็มรรสสัมมาทิฏฐิท่านก็มีผลสัมมาทิฏฐิท่านก็มีเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกอะไรเนี่ยนะถ้าท่านคิดถึงความที่สัมมาทิฏฐิอันนี้มีอยู่ในท่านเวทนาก็จะสงบระงับได้พลันปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสังกัปปะใดเห็นปานนั้นเนี่ยนะเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก มิจฉาสังกับปะเห็นปานั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสังกับปะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสังกับปะนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน น, นะผู้ที่มีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะถ้าจุติตรงนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ไปไม่ดีใช่ไหมแต่ท่านไม่เป็นอย่า ง, งานั้นท่านมีเนกขมมาวิตกอัพยาปาโทปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกจนถึงว่าวิตกที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะพราะคุณธรรมอันนี้เนี่ย มีอยู่ในตนนะที่เป็นเหตุให้ไม่ไปสู่อาบายทุกติวินิบาศนรกมันก็ถือว่าไปดีแน่เพราะงั้นเถอะแต่ว่าปารบอย่างนี้ก็ไอความทุกข์เหล่านั้นความเจ็บปวดก็จะลดลงไปดูกรครึ่งหาบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวาจาเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปก็เข้าถึงอาบายทุกติวินิบาศนรกมิจฉาวาจาเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่าน มีสัมมาวาจาก็เมื่อเห็นสัมมาวาจานั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบระ ง, งับโดยพลันอันนั้นก็ศีลทางวาจานะที่ปราบ ร, รักษาศีลทางวาจามาเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งสุขติปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉากรรมมันตะเห็นปานใดเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉากรรมันตะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาตามันตะ ก็เมื่อท่านเห็นสัมมากามันตะนั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบระงับโดยพลันปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาสนรกมิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาอาชีวะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยู่ในตนเวทนาก็พึงสงบระงับโดยพลัน ดูก่อนครหาบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวายามะเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนรกมิจฉาวายามะเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวายามะนั้นอยู่ในตนเวทนาก็จะพึงสงบประงับโดยพลัน <c oughs> ได้กี่มักแล้วคุณมีลาวัน <c oughs> นั่นแหละนับตามหรือเปล่าก็มาต้อง น, นะก็ถึงสัมมาวายามะนะก็เป็นข้อที่6ใช่ไหมปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใดเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสติเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสติเมื่อท่านเห็นสัมมาสตินั้นอยู่ในตนเวทนานั้นพึงสงบประงับโดยพลันคิดดูนะว่ามิจฉามักแต่ละอย่างนี้เป็นเหตุแห่งอบายทุกติวินิบาตนรกได้หมดเลยนะถ้าถ้าประพฤติผิดนะ ดูก่อนครืหาบดีปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาสมาธิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสมาธิก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสมาธินั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบประงับโดยพลันเห็นนะอันนั้นถ้ามิจฉามักแปนะส่วนใหญ่เราจะรับได้จะมีตรงนี้เนี่ยพูดมักอีกสองข้อเออพูด สัมมัตะขึ้นมาอีกสองข้อพิเศษขึ้นว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาญานะมีญาณที่ผิดนะญาณที่ผิดอันนี้ก็คืออีกไวยพจน์หนึ่งของมิจฉาทิฏฐิรู้ผิด น, นะนะรู้ผิดจากคออําสอนนะนะเห็นป่านใดเมื่อแต่กายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกมิจฉาญานะเห็นป่านั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาญาณนะก็เห็นสัมมาญาณนะนั้นอยู่ในตน เวทนานั้นพึงสงบประงับโดยพลันดูก่อนคริษหาบดีปูตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวิมุตต์เห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาวิมุตต์เห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านคือใครที่ไม่ได้บรรลุนะแต่จะคิดว่าตัวเองได้บรรลุเนี่ยเป็นเหตุแห่งอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนกันไหมครับไม่ไม่ตรงตามความเป็นจริงอะนะไม่ได้บรรลุอะไรหรอกแต่คิดว่าบรรลุแล้วอย่างเงนะ อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งอบายได้เหมือนกันนะถ้าถ้ารอบรู้ไม่จริงอ่ะนะวิชฉาวิมุตตเห็นปานนั้นไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวิมุตตก็ท่านเห็นสัมมาวิมุตตนั้นอยู่ในตนเวทนาพึงสงบประงับโดยพลัน